พวกเราเคยมีใครทํำกระเป๋าเงินตกคนแล้วก็ไม่ได้คืนต้างมาผมเยอะนะรู้ไหเป็นพ่ออะไรทําไมถึงไม่ได้คืนไม่ได้ใส่ชื่อที่อยู่ไว้เหรือบางคนก็ใส่ชื่อที่อยู่ไว้นะแต่ว่าก็ไม่ได้คืนรู้ไหมพ่ออะไร แต่มาจะเดานะเป็นเพราะว่าในกระเป๋านั้นได้มีรูปเด็กน่ารักยิ้มเพราะเพราะว่าถ้าเกิดทำกระเป๋าเงินตกแล้วก็ในกระเป๋านั้นมีภาพเด็กยิ้มโดยเฉพาเด็กทารหน่ารักเนี่ยจะได้คืน90อร์ซถ้าตัวว่าเป็นรูปสัตว์นะรูปหมา ก็จะได้คืน 50% ใกล้ๆกับลูกครอบครัวอบอุ่อนนะแต่ถ้ามีลูกคนแก่ก็เหลือ 25% แต่ถ้าไม่ใส่อะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะมีแต่กระเป๋าแล้วเงินก็โอกาสได้คืนก็ประมาณ 15% หางก็ต้อง 6เท่านะระหว่ง90กับ15เปอร์เซ็นต์เนี่นี่งไงเลยว่าก็เลยดาว่าที่ไม่ได้คืนเพราะเห็นนี้แหล ะ, ะไม่มีรูปเด็กเล็กๆทาลกกำลังยิ้มนะนั้นต่อไปก็ติดรูปไว้นะรูปถารกนี่แล้วก็ชื่อที่อยู่ด้วยอันนี้ก็มีคำถามว่าทำไมติดรูปเด็กน่ารักนี่ถึงได้คืนถึง90เปอร์เซ็นต์ แล้วก็มากกว่าติดรูปอื่นเชู่กครอบครัวอุ่นอบางคนก็คิดว่าโอเป็นเพราะว่าคนที่เก็บได้นี่เขาเห็นเด็กน่ารักก็คงคิดว่าเออเจ้าของนี่เป็นคนที่เป็นประเภทจานไมลี่แมนนะจานนี้มันก็คงไม่ใช่นะเพราะว่าคนที่ติดรูปครอบครัวอุ่นนี่หลอ ได้คือแ่ห้าสิบเปอร์ซเพราะฉนั้นมันมีอะไรมากกวนะ่านั้นการที่ติดลูกเด็กเล็กๆนะน่ารักเนี่ยมันไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเจ้าของกระเป๋าหรอกแต่ว่ามันส่งผลในอะไรบางอย่างต่อคนที่เก็บกระเป๋าเงินได้ คือมันไปปลุกเอามันไปกระตุ้นเอาความห่วงใยความรักความเมตตาขึ้นมาในใจของคนที่เจอกระควาาเงินนั้นคือคนทุกคนเนี่ยก็มีความเมตตาความกรุาในายในใจแต่ว่าไอ้ความรู้สึกแบบนี้นี่บางทีมันถูกกดเอาไว้หรือว่าถูก ความเสียหรือธข้ามาเข้ามาขม่มเช่นหลายคนเนี่ยที่เขาไม่อยากจะคืนเงินไม่ใช่เพราะว่าเขางกนะแต่ว่าเขารู้สึกมันวุ่นวายต้องโทรหาเจ้าของกระเป๋าหรือว่าต้องไปไปสันนิเพื่อที่จะส่งกระเป๋านะั่นคืนเจ้าของมันเสียเวลาเขาคนเราก็มีความเห็นแั่ตัวเขาก็ไม่อยากจะทําแบบนะั้น แต่พอไปเจอรูปเด็กนะเด็กยิ้มเด็กกำลังมีความสุขเนี่ยมันไปกระตุกมันไปกระตุน้นความเมตตาความใส่ใจความเอื่อทอรให้มีกำลังขึ้นมาจนสามารถที่จะเอาชนะความเจ็ตัวได้ก็รู้นะว่าไปคืนเงินให้กับเจ้าของมันเสียเวลาแต่ว่าความห่วงใจความปราถนาดีมันมันเออมาในติกใจ หรือว่ามันเกิดขึ้นมาในจิตใจก็ทำให้อ่าไม่เป็นไรก็ยอมอันนี้ก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมคนที่มีลูกลูกเด็กติดกระเป๋าเงินถึงมีโอกาสได้คืนมากมันแสดงให้เห็นว่านววคนเราทุกคนก็มีความเมตตากรุณานในใจอยากจะทำความดีอยากจะช่วยเหลือผู้อือ่น แต่ว่าที่ไม่ทําอย่างนั้นก็เพราะเหตุอื่นแน่นอนแล้วก็มีความเป็นกตัวแต่ว่าคําถามอยู่ที่ว่าอะไรจะมีพลังมากกว่ากันคนที่ก็ไม่ทําความดีนี่ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความดีนะแต่ว่าเปพราะว่ า, วาการเป็นกตัวมันมากกว่าแต่ถ้าเกิดมีอะไรก็ตามมากระตุ้นความเมตตาความปรารถนาดีให้ใจเขาเนี่ย มันก็ทำให้เขามีแรงอยากทำความดีขึ้นมามภาพเด็กเนี่ยภาพเด็กเล็กๆเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจของคนที่เจอกับปออันนี้ก็แต่ก็ต้องวงเลียว น, นว่าเป็นการาทดลองในต่างประเทศนะเช่ประเทศติลโลถ้าเป็นประเทศไทยก็อาจจะตัวเซนก็อาจจะลดลงหน่อยนะ แต่ว่ามันก็ชี้ให้เห็นอะไรได้หลายอย่างให้เวลาเราจะเวลาเวลาเราจะชักชวนคนทำความดีนี่ก็อาต้องมีอุบายในการกระตุ้นให้คนเนี่ยเกิดเมตตาตุนาหรือเกิดความใส่ดีขึ้นมาในใจซึ่งที่จริงอยู่แล้วมันมีตั้งแต่เกิดนะมันมีตั้งแต่เกิด เขาเคยเอาเด็กทารกเนี่ยแบบเบาะเนี่ยมามาทดลองโดยการเปิดเสียงร้องของเด็กทารกคนอั น, นพอเด็กได้ยินเสียงเด็กร้องเนี่ยทารกจะจะมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา แล้วก็ถ้าคายได้ก็จะขายไปหาต้นเสียงไม่ใช่หนุดหยิดลําคาลเสียงนะเพราะถ้าหนุดหยิดลำคาลเสียงก็ต้องคลายออกจากเสียงนะแต่ก็กลับเข้าไปหาพ่ อ, อะไรเพรเขาพบว่าเด็กเขามีความสงสารเห็นใจอยากจะช่วยได้เสียงเด็กร้องนี่ก็อยากจะเข้าไปหาเขาลองเอาเด็กเอาเสียงร้องของเด็กคนเดียวกันเนี่ยเอาเอาเด็กเอาเสียงร้องของเจ้าตัวนี่ยมาเปิดให้เด็กฟัง เด็กไม่สนใจเลยเด็กไม่มีท่าทีจะเข้าไปาทำอะไรกับต้นเสียงเลยแต่ถ้าเป็นเสียงของเด็กคนหน่นีนะ่เขาจะไปหาแล้วก็แปลกนะเขาทำนี้กับสัตว์ด้วยไอ้สัตว์นันก็มีอาการนะสัตว์ที่วันคือหมาเขาทดลองว่า อ่าให้คือเขาสงสายว่าเวลาหมาเนี่ยมันได้ยินเสียงคนร้องไห้เนี่ยหมามันจะเข้าไปเข้าไปหาเข้าไปใกล้ๆบางทีก็เข้าไปซบคนตักก็ <c oughs> คิดว่าเออมันเป็นเพราะว่ามันคุ้นเคยกับเจ้าของนะ <c oughs> เขาก็เลยทดลองเอาคนแปลกหน้า มาทำทีเหมือนกับร้องไห้หรือว่ารำไห้บอกว่าหมามันก็เข้าไปเข้าไปหาเหมือนกันเข้าไปหาเนี่ยไม่ใช่เพราะรู้สึกแปลกว่าเสียงอะไรเพราะเขาก็ลองให้คนแต่งหน้าลองลองทำเพลงหรือทาลองควรเพลงอะไรไปแปลกๆดูหมามันก็สนใจน้อยแต่พอร้องไห้เนี่ยมันจะเข้าไปหา แสดงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เข้าไปหาเพราะความอยากรู้อยากเห็นพอาะอยากรู้อยากเห็นมันก็เข้าไปหาตั้งแต่ตอนที่มีคนร้องเพลงแปลกๆทำเพลงแปลกๆแล้วไอ้เจงทำนี่ก็คขท้ายเสียงเสียงเสียงเสียง้ะอือนกังแต่หมามันไม่ไปหมามันไปเฉพาะเสียงที่เป็นเสียงร้องไห้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเจ้าของหรือว่าเป็นคนแปลกหน้าอันนี้ก็แสดงว่าหมานี่มันมีความเห็นใจ เวลามันมีความสุกเข้า ม, มีความรู้สึกเข้าเข้าใจรับรู้ได้ถึงความความเศร้าเสียใจมันก็พอ้ไปหาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เห็นว่าไอ้ความเห็นมก เ, เห็นใจมันมีอยู่กับคนตั้งแต่เกิดหรือว่าที่จริงแล้วมีอยู่กับสัตว์ด้วยสัตว์มีความเห็นใจ เมื่อสักสองสามปีก่อนนี่มันมีคนมันมีเด็กท้ารกถูกทิ้งเด็กท้าลกแรกเกิดถูกทิ้งไว้ในสวนเนี่ยที่ประเทศอาร์เหน้าช่วงคริสต์มาสหนาวมากเลยนะแต่พรบว่าเด็กลอดตายเพราะอะไรพ้อมันมีแม่หมายอยู่ใกล้ๆหา่างจากสักสักร้อยสองรอยสักสองร้อยเมตรได้แม่หมามันได้ยินเสียงเด็กร้องมันก็เลยไปหา แม่เด็กินนะมาเด็กฆ่ามามาไปลากนะไปลากเด็กมามากลับมาที่หลังของมันเพรามันมีลูกอ่อนนีู่ลูกอ่อนเจ็ดแปดตัวแล้วก็เอามาเอามาเอามากกกเอาไว้ใกล้ๆลูกมันเขารู้ได้ไงว่าหมานไปลากมาเพราะว่าเห็นไงว่าเด็กนี่มันมีรอยขีดข่วนพอถูกลาก แล้วก็มีร่องรอยของไจุดที่มันจุดที่เด็กถูกทิ้งเอาไว้ห่างจากหลังที่หมากกบเด็กอยู่นะประมาณสองสองร้อยเมตรหมาแม่ลูกอนนี่มัมีความรักมากมันไม่ใช่รักเพาลูกของมันมันได้เสียงร้องของเด็กมันก็รู้แล้วว่าเด็กต้องการเด็กกำลังมีความทุกข์มันก็มันก็ไปลากมาเพื่อที่จะได้ช่วยให้ความอบอุ่น เนี่สัต ก, ก็มีความรู้สึกแบบนี้นะน่าประสารเลยคนมันก็มีอยู่ในจิตใจตั้งแต่เกิดอยู่ที่ว่าไอ้การเลี้ยงดูของเรานี่มันจะช่วยหล่อหลอมหรือว่าช่วยช่วยรักษาความเห็นเห็นใจความเมตตา ก, กรุณาเนี้เอาไว้หรือว่าทําลายเวลาลูกช่วยเหลือเพื่อนเพื่อ น, อนในโรงเรียนบางกีแม่ก็บอกว่าไปเชื่อมทําไมเราก็ไม่เคอยมีอยู่แล้วไปเชื่อมทําไมนะ รวยหรือไงไปช่วยเขาเอาดินสอบไปให้เขาทำไมเนี่ยการพูดแบบ น, นี้ส อ, อนแบบนี้ก็ทําให้เด็ ก, กค่อยๆขาดความเมตตากรุณานัา่นเด็กทิ้งตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้รับการสึกฟักเรื่องความเมตตาแต่เป็นเพราะว่าความเมตตาเขาถูกบัญทอนลงไปจากการเล่งดูของพ่อแม่แล้วก็ผู้ใหญ่แต่ก็ยังหลงเหลืออยู่นะอย่างตัวอย่างเรื่องนกระเป๋าเงินที่เก็บได้อันนี้พวกเราก็รู้วันนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์นะ อ่ะแล้วก็เตรียมรับพรอิจิตังกปฏิตังทุกครั้ง